أعوذ بالله من الشيطان ا ل ر ต ي م بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده و ن س ت ع ي ن ه ونسقنسهدي ت و ن ع و ذ بالله من شر أنفسنا ومن سيات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما ي د ه ه ل ل ه فلا هارلا د ما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับจากที่ พูดคุยกันไปในครั้งที่แล้วนะครับก็คือเรายังคงอยู่ในซูราะที่94ซูราะอินชิราะซึ่งปกติแล้วตามรูปแบบที่เราใช้กันก็คือ1ครั้งตอ่อ1นึ่ซูลาะหนึครั้งต่อซูราะแต่เนื่องจากว่านี่เป็นหนึ่งในซูราะที่ว่าอ่านแล้วสบาย อ, อุกสบายใจมากในยุสมาซึ่งยุสมาส่วนใหญ่อย่างที่เรารู้ก็คือส่วนใหญ่พูดถึงวันเส้นโลกจะพูดถึงเนื้อหาที่ค่อนข้างจะหนัก ค่อนข้างจะหนักซึ่งเนะื้อหาแบบที่ฟังแล้วมันแบบเบาๆรู้สึกสบายๆนิสยสมาหลักๆก็จะมีบทนี้ก็คือ Al ah, <ล>อัลอิญชิรอ์กับบทนิอีลาฟิกอรไรช์เพราะนั้นผมก็เลยขออนุญาตทุกท่านนะครับก็คือวันนี้ขอต่อเป็นตอนที่สองินชาอัลล์นะครับผมเมื่อพูดถึงคำว่าอัลอิญชิรอห์หรือว่าชาร์ุนก็คือการทำให้สบาย อ, อกสบายใจเป็นหนึ่งในเรื่องที่มนุษย์เราชอบมากที่สุด ผมมั่นใจเรื่องความสบายอกสบายใจนะครับเป็นในสิ่งที่มนุษย์เราชอบมากที่สุดถ้าผมเปลี่ยนศัพท์ไปนิดนึงพวกเราจะชัดเจนขึ้นถ้าใช้คําว่าโล่งอกชอบกันไหมครับอ่าเวลาเรามีเรื่องเครียดๆใช่ไหมครับไอเราจะโดนหรือเปล่าอ่าวันนี้มาฟังบรรยายจะโดนถามหรือเปล่าไม่จะชี้เราเมื่อะไรแล้วพอไม่ได้ชี้เป็นไงครับโล่งอก นี่คืออชาตอินชีรออัลลอฮ์ให้ความส บ, สบายใจหรือว่าเวลาเราเครียดอะไรสักอย่างนะครับลูกเราจะกลับมาได้ไหมทำไมลูกเราออกไปช่วงที่มันอันตรายจะเกิดอุบัติเหตุไหมเห็นมีข่าวว่าแถวนั้นมีอุบัติเหตุเครียดกังวลตระหนกแต่ว่าพอได้ขา่าวเขาต่อมาเออพ่อครับแม่ครับหรือว่าอาครับตอนนี้ผมปลอดภัยดีไปไงครับโล่งอกอัลลอฮ์ทำดีแล้วเพราะฉะนั้นข่าวอินชีรอเป็นหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมเราไม่ใช่มุสลิมขอม้งหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์เราชอบมากที่สุดเวลามันเกิดขึ้น โดยเฉพาะเวลาเรียกซึ่งความหมายของเขาอิชราที่พวกเราได้ทรงก่าวไว้นะครับเราอ่านอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมอูดุบิลลห์ฮ <oke uela> ิม <screen> ิน <ificar> ััชัยตานุรุตีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะีมอิมอัม์นชุราะห์ละกัสุดรักวาววะฎะอานาอันกวิซรักอัลลัีอันกัดอัลฮรักวาระฟะอานาลกัดิกรัก فإنما ا ل ْ ع ُ س ْ ر ِ ي ُ س ْ ر a فإنما ََِّ ا ل ْ ع ُ س ْ ر ِ ي ُ س ْ ر r a فإذا َِ ف َ ر َ غ ْ ت َ فنصب ََْ وإلى ََِٰ ربك ََِّ فرب َْ غ َْครับเราไม่ได้ทำให้ ho, อโศกของเจ้านั้นกระจา่างให้โล่งอกให้รู้สึกสบายอกสบายใจ ก, กาด น, นั้นหรือแค่อายะหนี้อายะหเนี้เดียวก็เป็นอายะหที่่มุสลิมเวลาเราอ่านเราก็จะรู้สึก พึ่งปิติรู้สึกกินดีเพราะว่าคําว่าทําให้หัวอกกระเจาในที่นี้นครับถ้าสําหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือแค่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีแล้วโลงอกอันนั้นก็สบายใจแต่คําว่าอินเชอร์ที่ทําให้สาสบายใจนี้ความหมายมันครอบคลุมมากกว่านั้นคือให้เวลาที่เราทําความดีแล้วเรารู้สึกดีทุกท่านน่าจะเคยมีประสบการณ์ผมมั่นใจเวลาที่เราได้ช่วยใครสักคนเวลาที่เราได้ศึกษาอิสลามเวลาที่เราได้ทําการละหมาดลุกมาละหมาดสุนนะ คือเรารู้สึกสมัครใจอยากจะทําเองอ่ะครับเราจะรู้สึกว่าเวลาทําความดีแล้วเป็นไงครับมีความสุขนี่คืออลอินชีรอ ah ที่พระกล่าวในกุณหานคือเราไม่ได้ทําให้ อ, อกของเจ้านั้นสบาย อ, อกสบายใจกรนนั้นหรือแล้วพระองค์ก็ยังได้ทำไม่บทบัญญัติอิสลามนั้นเป็นบทบัญญัติที่ง่ายน้นในเรื่องของความง่ายดายอย่างที่เราทราบดีในฮิลิสบันทึกอิมานบุคคลีิ่มมุสลิมครับท่านนาบีอัลสลามบอกว่าบัชชิรุวะลาตุอัลซิรุ ย่อาอะคมาครับจะซิรูว่ลาตุอัซซิรูว่าบาชิรูว่ลาตุนัฟิรูอินเดีบอกเลยใครมามุสลิมครับท่านเบียร ส, สันพูสั้นสั้นมากเลยมีสี่คำจะซิรูว่าลาตุอัซซิรูว่าบาชิรูว่ลาตุนัฟิรูสี่อันท่านเบีย์มัสรุสัมบอกว่าพวกทัานทั้งหลายนะ่ะจงทำให้เกิดความง่ายดายเน้นในเรื่องของความง่ายดายให้เกิดความสะดวกสบายให้เกิดความง่ายดายในทุกๆเรื่อง คำสอนของอิสลามครับถ้าเกิดเราดูครับท่านหญิงอไอซาเรียโลวันฮานางได้กล่าวไว้นะครับขอร้อเมตตานางว่าท่านระเบีมอัสสลามได้เมื่อไหรก็ตามที่ท่านจาเป็นต้องเลือกท่านจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดตราบใดก็ตามที่มันยังไม่เป็นบาปถ้าเราดูคำสอนอิสลามเร า, เราจะพบว่ามีแต่เรื่องของความง่ายใดเต็มไปหมดเลย แม้แต่กระทั่งเรื่องที่น่าจะยากลําบากที่สุดสําหรับมุสลิมคืออะไรครับอิบาดที่สําคัญที่สุดการละหมาดจริงๆแล้วต้องละหมาดกี่เวลานะครับห้าสิบเวลาพวกเราทําอะไรครับเยสซรูยูดีดูลอบิคุลยุสระวเลายูรีดบิคุลอุสพวกเรากล่าวรับรองไว้ในกุรอานว่าพวกเรานั้นอยากใจพวกคุณทั้งหลายนั้นได้รับความสะดวกสบายได้รับความง่ายดายไม่อยากให้คุณได้รับความยากลําบาก พวกเราก็ลดให้เหลือ5้าเวลาลดให้เหลือห้าเวลาไม่พอครับยังมีเข้าวผอนผันสาลพัดเลยเดินทางนะ่ย่อดได้รวมได้นะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเวลาที่สมมติมีการเสิร์ฟอาหารอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับเวลาว่ามีการเสิร์ฟอาหารตั้งอยู่หน้าเราแล้วแล้วเขาอาจารย์พดีในวิทยากาบุคลีครับท่านนบีมัสยาสระ บ, บอกไงครับถ้าหากว่ามีการเริ่มในเรื่องของการละหมาดละหมาดอิชาท่านนบีชัก ว, ว่าอิชานะครับ แล้วมีการเสิร์ฟอาหารเย็นเพราะคนสมัยก่อนจะทานอาหารเย็นหลังละหมาดอิชาท่านอบียอัสสลามบอกว่าไงครับจงเริ่มด้วยกับอาหารก่อนสุภรณอวะจนนี่คือความเมตตาของอิสลามนี่คือความง่ายดายเพราะตามความรู้สึกของเราละหมาดมันต้องสําคัญที่สุดถูกไหมครับละหมาดสําคัญที่สุดถูกต้องแบบที่พูดล้อกล่ า, าวว่ในคุรานไม่รู้กี่ที่กี่ที่ท่านอบียรอัสสลามบอกไว้มันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่พรูดล้อกับ เมตตาบ่าวแล้วก็ให้ความง่ายดายบอกว่าถ้าถึงเวลานะกลัวว่าถ้าเกิดเราหิวแล้วไปละหมาดไปไงครับสมาธิกระเจิงอู้ข้าวผัดกะเพราอู้ไข่ดาวเมื่อกี้มันเสิร์ฟมาร้นๆเดี๋ยวมันน่าจะเย็นแท๊ก บ, บี๊ไปกับกะเพราไปอะนะมีไข่เจียวมามีข้าวมามีอะไรมาคือละหมาดรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอิสลามก็เน้นความง่ายดายก็คือถึงกระแทงว่าได้เวลาละหมาดแล้วแต่ถ้ามีอาหารเสิร์ฟให้รับประทานอาหารให้เสร็จ หรือเวลาถ้าเกิดเข้าเวลาละหมาดที่เราพูดคุยกันครั้งที่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องแล้วเราเมาเราเบอร์เราไม่สบายเราให้เรารู้เรื่องก่อนให้เรารู้ตัวว่าเราพูดอะไรก่อนแล้วค่อยละหมาตทั้งๆ ท, ท, ที่การละหมาตสาคัญที่สุดแต่นี้แสดงว่าไงครับอิสลามเป็นศาสนาที่เน้นในเรื่องของความง่ายดายเพราะบางคนไม่รู้ไงบางคนอาหารเสร์ฟแล้วบอกไม่ได้นะั่นละหมาตแล้วฉันต้องไปฉันต้องเคร่งความเคร่งเป็นสิ่งที่ดีงามแต่เรากําลังละทิ้งสุดนะนะ ไม่ใช่ว่าทุกความแข่งคือสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าทุกความแข่งคัดคือสิ่งที่ดีเพราะว่าท่านเบียร์ัสซาลได้บอกว่าอาลัลลอฮ์นั้นชอบที่จะให้บ่าวทําตามข้อผ่อนผันในระดับเดียวกับที่พระองค์รังเกียจเวลาใครก็ตามทําสิ่งที่ฮารอมแปลว่าอะไรที่อลัลลอฮ์เป็นข้อผ่อนผันเนี่ยเราก็ควรจะข้อผ่อนผั น, นเหมือนเดินถือเส้นอดนะครับโรมอดอนใครๆก็คิดว่าการถือศุลเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินทางอากาศร้อนร่างกายเริ่มมีอาการ อิสลามส่งเสริมไม่ทําอะไรครับลักสินอดนะให้ค่อยไปใช้ทีหลังทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นวัยยุบที่สาคัญเหมือนกับตอนที่ท่านอับดุลเบบีอัลสลามพาซอบาไปทําสงครามช่วงเดือนรอมฎอนซอบาส่วนหนึ่งถือสินอดไม่ยอมและอีกส่วนหนึ่งก็ลังเลแบบฉันจะละไม่ละไอ้ท่าฉันละที่ฉันจะเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าฉันไม่ได้ถือสินอดท่านอับดุลเบบีอัลสลามทำยังไงครับไปยืนอยู่ท่ามกลางซอบาทั้งหมดเลย หยิบน้ำมาแล้วดื่มให้ทุกคนดูเลยทั้งๆ ท, ที่ท่านสามารถถือได้ไหมสบายท่านบิบิสลาไม่มีใครแข็งแรงกินกว่าท่านอยู่แล้วถ้าท่านจะถือเนะี่ยสบายแต่ถ้าต้องการสอนให้พวกเรารู้ว่าอิสลามนั้นไม่ใช่ว่าตึงไปทุกเรื่องมันมีเรื่องไหนที่แบบง่ายได้ตาบใดก็ตามที่มันไม่บาปอ่าท่านท่านอย่างชายยับนะเธอท่านบิอิสลาจำเป็นต้องเลือกระหว่างสองอย่างท่านจะเลือกที่ง่ายที่สุดตราบใดก็ตามที่มันไม่ใช่บาป เพราะนั้นหลายเรื่องครับจะมีความง่ายใดจะมีเรื่องของการให้อภัยช่วยอะไรแล้วก็มีบอกว่าไงต่อครับเวลาตัวอัศซีรูอย่าไปสร้างความยุ่งยากอย่าไปสร้างความลําบากให้กับคนอื่นบางทีเราไปตั้งเงื่อนไขให้กับคนอื่นโหดเกินไปท่านอาบีอัคราลัมบอกว่าไงครับคนรับใช้ของคุณเป็นพี่น้องของคุณนะอย่าไปบังคับอะไรเกินความสามารถถ้าคุณบังคับเขาเกินความสามารถคุณต้องช่วยเขาด้วยขณะกับคนรับใช้ อิสลามนเน้นในเรื่องว่าอย่าไปสร้างความยากลําบากด้วยอิสลามเนี่ยพวกเราไม่รักเลยนะครับคนที่แบบว่าชอบสร้างความยุ่งยากให้คนอื่นเหมือนกับท่านเบียอัสสลามพูดถึงผู้หญิงที่ดีที่สุดผู้หญิงประเภทไหนครับเวลาแต่งงานผู้หญิงที่สร้างภาระน้อยที่สุดก็ไปอิสลามเน้นในเรื่องของการไม่สร้างความยากลําบากให้กับผู้อื่นเน้นในเรื่องของความง่ายดายซึ่งแสดงใหเห็นถึงอะไรครับพวกเราอยากจะทําให้เรานั้นสบาย อ, อกสบายใจ โล่งอกกับการเป็นมุสลิมไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมแล้วมันหนักอกหนักใจเลอะเกินทําไมมันหนักเลอะเกนินนี่ฉันก็ต้องทําอันนี้ฉันก็ทํามันไม่มีข้อผ่อนพันเลยอันนั้นไม่ทํานี่กลายเป็นมูนาฟิกกันนี่ฉันไม่ทําฉันก็แย่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือความยดงามของอิสลามความยั่งยืนของศาสนาอิสลามครับซึ่งเรามารู้อีกสองคำนะครับผมวะบัชชีรูวาลาตูนฟิรูแล้วพวกแค่ น, นั้นก็จงบอกแจ้งข่าวดีกันให้มากๆ แจ้งข่าวดีให้กับกันให้มากๆคือบอกข่าวดีมุสลิมเราเวลาทําความดีจริงอยู่ครับว่าเราถูกสอนถูกฝึกมาว่าเราไม่ต้องการคําชมถูกไหมครับไม่งั้นผลบุญที่เราทําอาจจะหายไปถ้าเราไปทําความดีแล้วอยากให้คนชมแต่ในขณะเดียวกันครับอิสลามก็สอนว่าคนอื่นไม่ใช่เจ้าตัวนะคนอื่นควรจะแจ้งข่าวดีให้กับคนที่ทําดีๆเป็นการให้กําลังใจด้วยเหมือนกับที่ทา่านเบียร์วาสเดนจําได้ไหมครับตอนที่ท่านได้รับวาฮีตอนแรก ท่านกลัวท่านกลับมาหาท่านหญิงคอดีจ้ากลัวมากหนาวสั่นท่านหญิงคอดีจ้าเอาผ้าห่มมาห่มท่านแล้วก็กอดท่านแล้วก็บอกว่าเงียร์สุลแล้วมันไม่มีสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับท่านหรอกท่านเป็นคนที่ว่าให้เกียรติเพื่อนบ้านท่านเป็นคนที่ว่าเชื่อมสัมพันธ์คือญาตท่านเป็นคนที่ว่าคอยให้ความช่วยเหลือคนยากไร้ถามว่าเป็นการยกยออับดุลเบียไม่ใช่เป็นการให้กําลังใจมุสลิมบางครั้งต้องการกําลังใจนะเหมือนกับว่าอาจารย์บางคนเดี๋ยวทำงานศาสนาโดนด่าเยอะๆอย่างเงี้ย ทำสิ่งดีไม่ใช่ว่าจะไม่โดนดา่าบางทีคนไม่เข้าใจก็ดา่าบางทีมุสลิมด้วยกันก็ดา่าบางทีคนที่น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ดา่ามีไหมมีหมดแหละครับเพราะนั้นบางครั้งเรื่องของกําลังใจต้องมีท่านอบิอสเซมก็บอกว่าบั ช, ชิรุก็พยายามแช่นข่าวดีกันด้วยไม่ใช่แค่แจ้งข่าวดีกับคนอื่นกับตัวเราด้วยเราต้องให้กําลังใจกับตัวเองนะการเชื่อถือโชคลางเป็นสิ่งที่ฮารอมแต่การมองด้านบวกเป็นสิ่งที่ท่านอาบีชอบท่านอบิชอบการมองด้านบวก เวลาเราทำอะไรก็ตามสมมติว่าเราทำเหน็เหนื่อยมาแล้วให้กำลังใจเราอินชาอัลลอฮ์นะตอนนี้เหมือนกับเวลาเราถือเส้นอดอนะ่ะดูอัลสะสุดเราว่าไงครับザฮับดะมาอูบัตันละตินูรุกุวาซาบัตลอชรุอินชาอัลลอฮ์เป็นการให้กำลังใจตัวเองไงความกระหายจากไปแล้วนะเส้นเลือดต่างๆมันเริ่มชุ่มชื้นแล้วแล้วผลบุญก็จะได้อินชาอัลล์เป็นการให้กาลังใจตรวองด้วยถูกไหครับ เราทําความดีมานะมันเป็นข่าวดีหรือว่าใครก็ตามที่แบบเราทาอีบาร์แบบแบบเยอะๆสมมุติว่าอาจจะเสียสละอะไรเพื่อสังคมเราไม่ได้ให้อยากให้สังคมรับรู้แต่ไม่ผิดที่เราจะให้กําลังใจตัวเองขอบคุณอลลอสทำในลักขอบคุณอลอสมากๆที่ให้ฉันได้มีโอกาสอยู่ในจุดที่ได้ทําความดีนี้ฉันไม่ต้องการให้ใครมาขอบคุณไม่ต้องการอะไรแต่ฉันหวังว่าอลอสใช้การงานนี้ไปอยู่ในตราชั่งที่ดีของฉันในวันกียรติ์ไหม เพราะความดีไม่ใช่ความดีทุกอย่างที่เราทำอยู่ในตาช่างที่ดีถูกไหมครับถ้าความดีที่โออวดความดีที่แบบว่าทำแล้วไปลํำเลิกความดีที่ว่าทำแล้วไปนินทาคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นไม่ได้ผลละบุญเพราะนั้นมุสซิมเราต้องการกำลังใจโดยเฉะาะตัวเราเองจำเป็นต้องให้กำลังใจด้านบวกมากๆ อาทำได้แล้วนะวันนี้เรามาทันละหมาดมัคคิริปอ่าทุกทีเรามาไม่เว่นทันตักบิตรอินชาลอัลลอฮ์เราจะทําให้ดีขึ้นอ่าวันนี้เราได้ละมาดซุนนะนะอาทำได้แล้วขอบอัลลอฮ์ที่ให้เราได้มีโอกาสละหมาดสุนนะให้กําลังใจตัวเองให้มากๆแล้วเวลาเจอใครทําความดีก็พยายามให้กําลังใจแต่ใดก็ตามที่การให้กําลังใจนั้นไม่ไปเลยเถิดไปถึงขั้นการยกยอป่อปั้นถ้ายกยอป่อปั้นนี้ผิดแล้วท่านบีเราสันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นคนที่ชอบยกยอปอปั้นเอาฝุ่นไปปาหน้าเขา เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจคือบางคนเขาเรียกว่าชาเลียไงครับเลียแข่งเลียขาอยากได้ผลประโยชน์อยากอะไรก็ตามแต่นั่นคือไม่ใช่คําสอนอิสลามแต่การให้กําลังใจกันและกันเป็นสิ่งที่สมควรทําเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายว่าว a bashiru wa la tunafiru คำที่สี่ที่สตบีมััสสลามพูดไปว่าอะไรครับอย่าได้ไปตะเพิดคนอื่นอันนี้โดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องตอบย้ํากับตัวเอง กับมุสลิมกับพี่น้องกับทุกคนต้องตอบย้ำบทนี้อย่าได้เป็นตะเพิดใครคืออย่าได้ให้ใครเขารู้สึกว่าการเป็นมุสลิมน่ยมันเป็นเรื่องที่มันหนักเหลือเกินทำไมไอ้นี่มันทำมันเรวมันช่วยแก่ทำช่วยนี้แกเป็นบาปใหญ่ในเตรียมเลยตายไปเม็ดเต้าบ้านี่ตกนรกไม่แน่เลยหรือไอ้นี่มันเป็นกลุ่มทําบิดอาเนี่ยมันเรวสุดๆมันไม่มีทางได้ดีแล้วอย่าไปยุ่งกับมันอะไรก็ตามแต่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการตะเพิดผู้คนเพราะบางคนทําผิดโดยที่ไม่รู้ว่ามันผิด บางคนทําผิดรู้ว่าผิดแต่เขายังอ่อนแออยู่มนุษย์เราอ่อนแอถูกไหมครับหลายครั้งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเน่ยมันผิดแต่ว่าเรายังไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเวลานั้นถ้าเราเจอคนมาตะเพิดใส่รู้สึกบวกรู้สึกลบครับยิ่งรู้สึกลบยิ่งรู้สึกแย่บางทีรู้สึกว่าฉันไม่อยากมาละหมาดอีกแล้วอย่างบางคนมาละหมาดแล้วละหมาดผิดแต่เ ง, งี้ยแล้วโดนคนดา่าโดยคนว่าหรือว่าบางครั้งครับ บางทีพาเด็กมามสัสยิดการพาเด็กมามสัสยิดเป็นสุนนะไม่เป็นสุน น, นะนะท่านอบีก็ให้ลูกหลานะได้คุ้นคลีกับการละหมาดบางคนบอกเนี่ยมันพาเด็กมาทำไมเนี่ยละหมาดไม่รู้เรื่องเด็กโดนด่าอยากมาละหมาดไหมครับไม่อยากมามามสัสยิดฉันโดนด่าไปผับฉันไม่โดนด่าเพื่อนฉันเข้าใจไปผับดีกว่าตกลงเรากลายเป็นคนบีบให้เขาต้องไปทาสิ่งที่ฮารอมเราต้องรับผลดีนะครับ เอมาจําเป็นครับเพราะว่าย่างต่อท่านนบีมุสลิมอะครับตอนที่ท่านนบีเปิ้ลละมาดบางเตื้อเปิ้นสยุดเมือนขนาดซอบาบเปิ้ลก็แปลกใจว่าอย่างเปิ้ลสยุดเมินคนก็คือว่าหลังเปิ้นกำลังขี่คออยู่เปิ้ลก็รอให้หลังเปิ้ลลงก่อนแล้วเปิ้ลถึงจะขึ้นมาหมายความว่าอาการที่ว่าควบคุมหนาออนได้อะครับหนาออนเขาเ้ามมีทางควบคุมได้ร้อ เขาต้องค่อยๆสอนครับตัว้องค่อยๆสอนก็คือว่ามันบบเจ๊ว่าฮื่อเขาพร้อมก่อนแล้วฮุ่ยเขาไปมสัสยิดเพราะมันเปิดไปมาได้แต่ค่อยๆฮๆื่อเขาได้ซึมซับบางทีถ้าเกิดทำงว่าลูกเขามันหายสุดๆแล้วเขากลมาดีไปอยู่ซอกหน้าถูกกว่าครับถ้าอยู่ซอกหน้ามันกวนมากเลยเขากลัพยายามอยู่ซอกหลังๆ ต, งต้องมีการห้ามครับต้องมีการเตือนเม้นเมเพราะว่าบางเตื้อเอที่ผมแปะที่แบบว่าเวอร์เลยครับ เจอกับตัวเก่าแล้วเหวอคุตตาบายอยู่แล้วก็ผู้ปกครองเอาลูกมาแล้วลูกก็วิ่งเล่นวิ่งมาหาพ่อพ่อก็เล่นพ่อก็ขำหัวร้อ ก, กันไปหัวร้อ ก, กันมาแล้วก็นั่งอยู่ซอกหน้าด้วยแถวหน้าคือความรู้สึกตอนคุตตาบาที่เหมือนแบบเออ ต, ตกแต่งรถคันนเป็นแหละครับผมอยากจะบอกว่าเปลี่นว่าคุตตาบาตอนนั้นเลยนะ <c oughs> เปลี่ยนว่าก็คุตตาบาเลยดีไหมก็คือก็คืออย่างที่อาจารย์เป็นห่วงอนะครับก็คือ มันมีคําว่าพอดีซานมีคำว่าพอดีอยู่คือไม่ใช่หมายความว่าให้เอาเด็กมาแล้วก็แบบไม่มีดูแลไม่ดูดำไม่ดูดีปล่อยอยากทําอะไรก็ทําอันนั้นไม่ใช่คือพาเขามาฝึกเป็นสถานที่จริงพาเขามาฝึกเปนสถานที่จริงแล้วเราก็ต้องรู้กรอบรู้อะไรคือถ้าเกิดเรารู้ว่าลูกเราสมมุติว่ามันอยู่นอกกรอบจริงๆแบบมันไม่ไหวจริงๆการพามามัสิทธิ์ยิ่งดีครับยิ่งดีอย่างน้อยหวังว่าเราจะใจหิดายะอย่างน้อยเขาอาจจะได้ซึมซับอะไรที่เราคิดไม่ถึง บางคนอาจจะไปเห็นคนพูดคุยกันแล้วอร่อยฮีดายะตอนตอนฟังเห็นคนทำน้ำนมาสแล้วได้ฮีดายะเห็นคนละหมาดแล้วได้ฮีดายะเพราะนั้นอย่าปิดโอกาสเลยเพาะเด็กๆครับผมเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ใหญ่อย่ า, ยยาลืมครับท่านอับดุลลามบอกว่าไม่ใช่พวกของเราคนที่ไม่รักเด็กแล้วก็ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เราต้องปลูกฝังลูกหลานแล้วให้มี2 อ, อย่างนะรักเด็กด้วยแล้วก็ให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยอันนี้คือคําสอนของอิสลามครับผมงั้นหะดีชัดเจนนะ บัชิรูเวลาตัวอะซิรูวรา่าบัชซิรูเวล า, า, าตัวนัฟิรูก็คือพยายามทําให้เกิดความง่ายได้อย่าสร้างความยากลําบากแล้วก็พยายามแจ้งข่าวดีกันให้มากๆให้กําลังใจให้กําลังมากแล้วก็อย่าไปตะเพิดทําให้คนนั้นออกห่างจากการเป็นอิสลามอย่าไปด่าคนอื่นอย่างเดียวอย่าไปเผยแผ่แผด้วยความรุนแรงอย่าไปบอกว่าฉันอาารมณ์ฉันว่าคือฮะดีษบท น, นี้วันก่อนผมฟังมีคนแปลแล้วผมสะดุ้งเขาแปลเพี้ยนไปไกลไงครับ เขาแปลว่าอาบาชิดูเวลาตุนัฟฟิลูเขาแปลว่าจงเผยแผ่แล้วอย่าหมกเม็ดความหมายคนละเรื่องไหมคนละโลกเลยนะคนละโลกเลย <5 S 1> คนละเรื่อง <5 S 1> เลยแต่เพิดกับหมกเม็ดคนละเรื่องซึ่งผมก็พยายามไปดูอถาธิบายนักวิชาการผมไม่เจอแม้แต่ในกอมุสลิมใดที่แปลว่ามันมันไปอย่างนั้นได้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านตอนนั้นอาจจะอารมณ์ขึ้นหรือว่าอะไรก็รอแล้วก็ขอรอเมตาท่าน ครับขอให้ดังนั้แต่สรุปก็คือดิสปนี้ความหมายก็คือจงแจ้งข่าวดีกันให้มากๆแล้วอย่าสร้างความยากลําบากอย่าไปไล่ตาเพื่อดันครับผมเนื่อถ้าเกิดเราดูจากดิสปนี้เข้าประเด็นของสุร้อนนี้ก็คืออิอชิร้อนการให้ความกระจ่างเพราะว่าการที่พระวรรดิให้ความกระจ่างหรือความสบายอกสบายใจหรือว่าความโล่งอกกับใครก็ตามเนี่ยบางครั้งพระเรรดให้อิลามดนใจเราบางทีพระเรรดให้ผ่านคนอื่น ผ่านคอืเหมือนกับท่านนบีมัสยิดส์ละมบอกว่าบะมาอัลสลนะกะอิลาระฮ์มัตต์ลิลอาลามินเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออืนใดนอกจากเป็นความเมตตาให้กับโลกนี้ทั้งหมดเลยก็คือทําให้เกิดความสบายสบายใจแต่ถ้าเกิดสิ่งใดผิดเราก็ต้องบอกชัดเจนนะสิ่งในถูกก็ต้องบอกชัดเจนสิ่งใดผิดก็ต้องบอกชัดเจนแต่ต้องเลือกรูปแบบเหมือนกับท prim, ่านอาซากับท่านอูเซนครับใครครับท่านอาซาท่านอูเซนหลานนบีอ่าลูกท่านอาลีรยาลลอฮ์อันหุกับท่านหญิงฟาติมะรยาลลอฮ์อันฮะ ท่านอรย์กับท่านอุเซนครับครั้งหนึ่งครับท่านพบว่ามีซาฮาบะ ท, ที่แบบว่าอายุเยอะชลาแล้วคนหนึงทํานั่าละหมาดผิดทํานั่งละหมาดผิดละหมาดใช้ได้ไห ม, ไมไควรทําไงครับคนไปบอกเนี่ยลุงเดี๋ยทําน้่งละหมาดย่างไงละหมาดที่ผ่านมามใช้ไม่ได้นะเตาบ้าเลยดิค่ะควรพูดอย่างนี้ไหมครับไม่ควรใช่ไหมครับ ท, ทั้งทั้งที่ไม่รู้นะถ้าบ้านเราคงมีนะคนประเภทเนี่ยฉันรู้ไงฉันถูกไงแกผิดไงแกต้องโดนด่าอะไประมาณนี่ แต่ว่ า, านฮัสซันกับท่านอูเซนถ้าทำยังไงครับเตรียมกันท่านฮัซันท่านอูเซนไปหาคุณลุงกันนัแหละที่ทำ น, นั่นมาเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าลุงครับช่วยเป็นพยานให้เราหน่อยเราสองคนจะแข่งกันทำนั่นมาลุงช่วยตัดสินว่าใครทำนันมาดีกว่ากันโอ้มาชาละเด็กน้อยอายุยังไม่เท่าไหร่เลยแต่คิดขนาดนี้แล้วท่านก็เริ่มทําด้วยกับรูปแบบที่ถูกต้องทําแบบดีที่สุดเนี้ยที่สุด พอคุณลุงคนนั้นเห็นรู้เลยรู้ตัวเลยบอกว่าอ๋อเด็กคนนี้กําลัง อ, อยากจะสอนฉันบอกให้ฉันรู้ว่าฉันนั้นทําผิดแต่ด้วยกับรูปแบบที่มีมารยาทมากที่สุดถามว่าได้ใจไหมครับขนาดเราคนอ่านคนฟังเรายังได้ใจเราเลยอะขนาดเราไม่ใช่คนในเหตุการณ์เล ย, ยรู้สึกว่าเออรูปแบบนี้เวิร์กนะเออ เ, อเป็นฮิกมากหรือว่าเป็นฮิกแม้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเล่าสั่งไว้ใครก็ตามที่ได้รับ ฮิกมะเขาได้รับความดีงามอันมากมายผมเป็นอุ ต, ma, ติอฮิกมต้าผมก็อุติอาค่ายดกะซี่รอครับอุมายุติลฮิกมะใครก็ตามได้รับฮิกมะนั้นเขาได้รับความดีงามอันมากมายแล้วก็ขอดูอ า, าเฉาล้อนเราเป็นหนึ่งในคนที่ว่ารู้ความจริงรู้สศาสนาพยายามทํามันให้ได้ดีที่สุดแล้วถึงเวลาเราสามารถนําไปเสนอให้กับผู้คนได้โดยให้เขาเปิดใจรับให้เขามีความกระจ่างมีความปลอดโปร่งในการที่จะรับจากเราอาเมียครับแต่ก็คือเราก็ต้องไม่ขายศาสนาของ์รล้อนนะ ไม่ใช่ว่าบิดเบือนไปเพื่อที่จะให้คนยอมรับอันนั้นก็ไม่ใช่ครับผมทีนี้ครับเรามาดูประเด็นครับอลรามนัชร์เนี่ยครั้งที่แล้วที่เราพูดกันพูดถึงฮะดีใช่ไหมครับที่ว่ารอบปิชรฮลีซัดดารีพูดถึงความสําคัญของการที่อยู่ในสภาพที่หัวจบกหัวอกกระจ่างความรู้สึกปลอดโปร่งซึ่งมุสลิมเราต้องการทุกวันถูกไหมครับไม่อยากครับอกครับใจบางทีได้ข่าวบอกเขาจะมีการปลดพนักงานจะโดนไล่ออกไหมครับอกครับใจเะไรก็ตามมีแต่ความเครียด โดยเฉพาะเวลาทำความดีทำอะมันเวลาละหมาดบางทีละหมาดอาจจะโดนคนด่าบางทีคนใกล้ตัวด่าด้วยซ้ำหรือบางทีคนไม่เข้าใจเลยสารพัดเพราะนั้นเราก็เลยมีดูอาที่อัลลอฮฺสั่งไว้ก็คือรับบิชรฮลีซาดารีวะยะซึ่รีอัมลีวาฮันุลอุกระตัมบินดิซานยัฟกูคาลีดูอาบทนี้อยู่ในสุราะตอหาผมอยากจะพูดคุยที่มาที่ไปของดูอาบทนี้นิดนึง เพราะว่ามันมีคิกมากมายซึ่งผมจะพยายามเท่าที่ความสามารถผมจะมีนะครับผมที่มาที่ไปครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากตอนที่ว่าท่านาอับดุลโมสะเราย้อนกลับไปด้วยบทนี้โผล่ พ, พูดถึงท่านอบีมูโมสะอลสราตูสซาลมท่านอบีุลโมสะครับเป็นตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนุ่มชะกันและมีครอบครัวแล้วหลังจากที่ท่านหลบหนีจากอียิปมาเพราะว่าเพราะอะไรครับทําไมหนีจากอียิป พังมือไปฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งตามกฎหมายยุคนั้นใครก็ตามที่ไม่ใช่ชาวอียิปต์คือพูดง่ายยิวอะถ้าชาวยิวไปฆ่าคนอียิปต์ไม่ว่าจะข้อหาใดไม่ว่าจะผิดหรือว่าไม่ว่าจะถูกยิวคนนั้นต้องตายตามกันคือโดนประหารอย่างเดียวท่านอบีมูซาก็เลยต้องหนีออกมาหนีไปสิบกว่าปีสิบกว่าปีเราให้คดีมันเริ่มเบาลง แล้วถึงเวลาปุ๊บก็พาครอบครัวจะกลับมาพอจะกลับมาปุ๊บก็พวกเราก็ให้เกิดเหตุการณ์ก็คือมีไฟท่านอบีมูซาก็ขอไปดูใช่ไหมครับว่าไฟมันเกิดอะไรขึ้นพอไปดูปุ๊บก็เจอต้นไม้ที่มีไฟท่วมแต่ไม่ไหมมีไฟท่วมต้นไม้แต่ไม่ไหมแล้วก็ได้ยินเสียงว่าฆ่าคือพระเจ้าก็คืคอฆ่าครื่องร้อนก็คือพวอเราให้ท่านอบีมูซาเนี่ยรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาละพวกอเราให้โดนใจท่านอาบีแล้วก็แต่งตั้งให้ท่านอาบีนั้นเป็นรอดศูนย์ทีนี้ครับเมื่อ พวกราเาให้ท่านนบาบีมูซาเป็นเราซูพวกเราเลาะก็บอกให้ทำอะไรครับคำสั่งแรกไปนู่นเลยไปคุยกับคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอียิปต์ฟาโรจอมหังการคือเหมือนกับว่าเราได้รับคำสั่งว่าเราต้องไปคุยกับทอราลาที่เลวซามที่สุดแล้วก็มีอํานาจที่สุดคนทุกคนกลัวที่สุดถ้าไปพูดนี่เคียดไหมครับเคียด <c oughs> ลองจินตนาการดูถ้าเกิดว่าเราต้องไปพูดความจริงต่อหน้าใครสักคนอย่างบางคนทํางานอย่างเงี้ยอยากจะละหมาดต้องไปคุยกับหัวหน้าแล้วรู้หัวหน้าเกลียดมุสลิมสุดๆเลยเวลาไปพูดเครียดไหมเครียดเวลาไปคุยกับอาจารย์บางทีไม่ต้องคุยกับคนที่เกลียดคุยกับคนที่รักมุสลิม บางทียังไม่กล้าคุยเลยครับอกครับใจรู้สึกมันกดดันถ้าเกิดฉันต้องไปบอกว่าฉันเป็นมุสลิมถ้าต้องไปบอกเพื่อนว่าฉันไปกินร้านนั้นไม่ได้มันฮารอมบางทีเบลบรวัยรุ่นไม่กล้าพูดมันรู้สึกมันหนักหนักใจมันรขบอกกขับใจนี่ท่านอบีมุซาโดนให้ไปคุยกับเบอร์หนึ่งของความชั่วร้ายที่มีอํานาจมากที่สุดในยุคนั้นโดยที่ท่านอบีมูซาติดคดีไว้เพียบเลย mm. มีคดีตัางหาก เมื่อถึงเวลาครับพวกเราก็บอกว่าพวกเราจะให้สัญญาณไปจะได้ไปแสดงให้ฟาโรห์เห็นว่านาบีมูซาเป็นศาสดทูตพวกอลอสแค่ท่านอบีุเาเนาี่ยเอามือออกเข้าไปในรักแร้พอเอมือออกมาปุ๊บมือก็ขาวสวยแบบไม่มีมือของมนุษย์คนไหนสวยขนาดนั้นเลยแล้วพวกอลอสแค่ท่านอบีมูซาเนะี่ยท่านมีไม้เท้าอยู่พวกเราก็ถามว่าเอาไม้เท้าไว้ทําอะไรเหรอพวกเรารู้อยู่แล้วแต่ก็ให้ท่านอบดมูซาพราท่านบีก็บอกว่าผมเก่เาไวเ้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วบางทีก็ใช้อะไรหลาย โฟล์ค ก, ก็บอกให้โยนพอท่านบิบุซาโยนปุ๊บกลายเป็นอะไรครับงูขนาดยักษ์พฟเราก็บอกไงครับคุชฮาเวะลาตะคอกอย่าได้กลัวหยิบมันเลยท่านบีมูซาก็หยิบแล้วมันก็กลายเป็นไม้ทเทพาโฟล์บอกนี่คือสัญญาณไปหาฟาโรห์ซะผมขอนอกเรื่องนะพอมีเรื่องพอพูดถือว่าคุชฮาเวะลาตะคอกเนี่ยผมคิดถึงอายะกุระมีเรื่องที่เกิดขึ้นในแอฟริกาในแอฟริกาอิหมามนำละหมาด ตอนเช้าอันนี้นอกเรื่องนะครับถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะนอกเรื่ยิ่ม่ ก, ก็กังนำระมาทอยู่แล้วก็อ่านอิยะกรานฟยาฮยฮยตุนตัสอาแล้วเมื่อ น, นั้นมันก็กลายเป็นงูที่เคลื่อนที่ได้ในยกรานเครับคือ น, นำระมาด ต, ตอนเวลาสุบโบแล้วก็อ่านถึงตรงนั้นทีนี้ครับไทรอฟริกามัสิีนั้นนะเป็นหลังคาแบบคล้ายๆมุงจาก คือมันทะลุลงมาได้ไงเ <_ d ata> พราะอ่านถึงอาย่านี้ปุ๊บงูตกลงมาหน้าอิหมามพอดีไฟเลเฮไฮยะตุนเตสอามันกลายเป็นงูที่เคลื่อนที่ได้อิหมามเห็นปุ๊บหยุดเลยหยุดแล้วก็เอาเงีดีจะฆ่า <_ d ata> จะไม่ฆ่าจะฆ่าจะไม่ฆ่าหมามุมนึกว่าอิหมามลืมหมามุมกระเลยทักอายากุอ่านต่อมาว่าไงครับคุสฮาวลาตะคอฟจับมันเลยไม่ต้องกลัว แบบสุบฮานัลลอฮมันจังหวะมันได้ครับจังหวะมันได้แล้วคิดว่าอีบาบตามไกครับ <c oughs> อีบาบหันมหามามูเจสิไปเจ็บสุบฮานอัลลอฮคือแบบ <c oughs> คือเวลาเจอพู้อ่านอาย่างูนี่ที่ไ้ผมจะคิดถึงเรื่องนี้ครับมั <c oughs> แบบว่าเออถ้าผมเจอก็คงไม่รู้จะทำไงนะครับ ไฟจะยะไฮยัยตุนตสาส์แล้วมันกลายเป็นงูเคลื่อนที่ลแล้วเมืบอกคุสหาเวลาแต่คอปจับมาเลยไม่ต้องกลัวนี่แบบเออคงคงไม่แค่จับอะไนระขอโทษอาจารย์นั่นคือนอกเรื่องคือคิดถึงพอดีนะครับผมงั้นก็คือพอเราก็บอกเส้นบิมูซาให้จับนั่นคืออิหมั่นไม่กล้าจับท่านบีมูซากลาจับพอเราสั่งก็จับมาก็กลายเป็นไม้เท้าปกติพอเราก็บอกว่าไงครับงั้นก็ไปเลยไปหาอฟาโรห์แล้วก็ไปพูดคุย ซึ่งอย่างที่ย้ำอีกครั้งนึ่งนะครับฟาโร่ไม่ใช่ชื่อเนาะฟิตรูนไม่ใช่ชื่อเป็นตําแหน่งผู้ปกครองซึ่งในกุรานเมื่อพูดถึงฟิตรูนไม่จําเป็นว่าต้องหมายถึงคนคนเดียวเสมอไปครับนะักชาการมีความเห็นขัดแย้งกันว่าฟาโร่ที่อยู่ในยุคสมัยนบีมูซาเนี่ยเป็นรุ่นพ่อกับรุ่นลูกใช่หรือเปล่ามี2คนใช่ไหมอันนี้ประเด็นนี้เลยไม่คุยกันเพราะว่ายังไม่อยากไปเจาะลึกตรง น, นั้นแต่สรุปครับเรื่องของเรื่องคือเมื่ออัลลอฮ์สั่งใช้ท่านนบีมูซาเสร็จปุ๊บท่านนบีมู ท่านบอกว่รบบิชระฮลีสัตต์เีโอพิยบาลของฉันปวดทําให้ความคับอกคับใจของฉันมันหายไปด้วยคือฉันต้องไปเผชิญหน้ากับศัตรูของพระ อ, องค์ศัตรูของชาวยิวคนที่ฉันมีคดีกับเขาด้วยรับบิชระฮลีสัตต์เดีขอให้ฉันนั้นมีความนุ่งนุงใจเพราะนั้นดูอาบทนี้เป็นดูอาครอบจักรวาลเลยนะครับ ขอได้ทุกวันเลยขอได้ทุกเรื่องเลเวลามีเรื่องเครียดเวลาอะไรก็ตามดูวอาแบบนี้ครอบจกกักรวาลหรือว่าอา่านอัจฉรอ่านก็ได้อลัลลอฮนัสโธและก็ซาตรอร์กเหมือนกันทีนี้ครับ mm hmm. เมื่อท่านนบีขอด้วยว่าวารับอิชลอรีซาตลอรีโอฟิบานของฉันปวดทาให้ออกของฉันนั้นกระเจาด้วยขอทันให้ฉันไม่รับอกขับใจด้วยวียซิฟลีอัมรีที่ฉันจะทำเนี่ยขอให้มันง่ายอยากได้ความง่ายไดย้ถูกไหมครับเพราะหนึ่งในสาเหตุที่เราให้ทําให้เราครับอกครับใจเพราะอะไรครับเพราะเรามองว่ามันยากไง เรามองมาเป็นไปไม่ได้ไงเรามองว่าเราไม่เห็นทางออกอ่ะเหมือนบางครั้งเราติดอยู่ในบ่วงปัญหาที่คิดแล้วมันก็วนไปวนมามันวนเหมือ น, นกับงูกินหางมันไม่จบสักทีอ่ะวายัสเซธลีอัมรีดูว่าวันนี้สุดบานแล้วเเป็นเหตุเป็นผลให้กับกันเลยให้หัวใจของฉันกระจ่างนะแล้วความกระจ่างเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้า ง, งานมันยังยากอยู่กขนน็ขอให้มันนั้นง่ายด้วยขอให้มันนั้นง่ายด้วยแล้วเป็นีงต่อครับ ว่ารุ่นอุกตามมิลิซานีย่าให้ฉันได้ติดขาดอะไรพูดให้มันไหลลื่นยัฟกหูเกาดีพูดกับใครนั้นก็ขอให้เขานั้นเข้าใจแต่หลังจากที่ขอหมายความว่าท่านอับีไม่ได้ปฏิเสธคำสั่งใช้ขอละแต่ว่าพอถึงตรงนั้นปุ๊บท่านอับีมัสลิซัมได้อ่านต่อว่าไงครับว่จะจัลลีวะซีรำ ม, มินอะฮลีรูอาคอุิบาทของฉันโปรดให คนในครอบครัวของฉันเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยฉันด้วยท่านอบีไม่ได้ไปเสร็จงานนะขอให้มีผู้ช่วยผู้ช่วยคือใครครับฮารุนพี่ชายก็คือท่านอบีมูซาเนี่ยขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มาเป็นงานใหญ่ท่านไปคนเดียวเนี่ยท่านกลัวว่าจะทํามันไม่ได้ดีพอขอให้มีมือขวาไปไหนคนที่ท่านไว้ใจที่สุดก็คือพี่ชายของฉันนี่แหละฮารุนขอให้ไปกับท่านด้วย นี่คือเหตุผลที่ฮารุนอะลีสลาตุสลามได้รับการแต่งตั้งเป็นรอดศูนหมายความว่าในบรรดารอดศูนทั้งหมดไม่มีใครเหมือนนบีฮารูนเพราะรอดศูยนย์ยนยทุกท่านนี่คือผู้รัแต่งตั้งนบีฮ า, ารูนนี่คือท่านนาบีมูซาขอจากอัลลอฮ์ให้แต่งตั้งอีกทีแล้วพวกรับอลลอฮ์ก็รับเพราะฉะนั้นถ้ามีคําถามว่ารอดศูลท่านไหนที่ไม่เหมือนใครก็คือนท่านฮารูนนี่แหละไม่เหมือนใครเพราะาขอจากอัลลอฮ์ ท่านบิบุซาขอจากอัลลอฮ์และพวกอัลลอฮ์ก็รับก็เลยให้เป็นรสน์ต่อจากอยู่กับท er ่านบีมุซาคือไปช่วยงานเพราะฉะนั้นเวลาคนอ่านดูอาครับมุสลิมบางคนบอกว่าเจอดูอาในกุรานขอได้หมดเลยไม่ใช่นะคือเดี๋ยวไปขอดูอาจากอัลลอฮ์บอกว่าจ้าลีวาซีรอนมินอาลีฮารูนอาคีโอัลลอฮ์ขอให้พี่ชายของฉันฮารูนเป็นผู้ช่วยฉันด้วยมีพี่น้องเชี่ยฮาลูนไหมกฟาแฟมีไหมครับพี่น้องเชี่ยฮารูนอ่ะไม่มีนะ งั้นม่ใชว่าดูอาทุกอย่างในกุฎานขอได้หมดนะครับต้องดูสถานการณ์ด้วยอ๋อนอกจากว่ามีจริงๆมีพี่น้องเนี่ยขอดูอาอาจารย์เราขอต่อเลยเออแล้วฉันอยากทําสิ่งที่ดีเนี่ยขอให้ฉันมีผู้ช่วยขอให้ฮาลูนมาช่วยฉันขอต่อได้อ่าคนที่มีพี่น้องชื่อฮารูนดูอาบทนี้ขอต่อได้ครับส่วนคนไม่มีพี่น้องชื่อฮารูนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนบริบทเล็กน้อย drafted. นะครับต้องอเปลี่ยนชื่อ pues <that> อาจารย์ไว <that> <edge> <country> ้ด้วยครับเปลี่ยนชื่อเอาเปลี่ยนชื่อเหรอครับ นั่นก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นฟาดินยิบหนีประมาณนั้นนะครับผมฟาดินหลานผมให้เขามาช่วยผมวกที่ริมมางพัันนเ่มมีรกกดู็จำเป็นครับเพราะเราดูอย่างยุค ส, สมัยน บ, บีอิบรอฮีมมีละซูลสีท่านไม่ใช่ครับมีน บ, บีอิบรอฮีมมีลูกพี่ลูกน้องหรือว่าหลานน บ, บีรุต แล้วก็มีลูกบาศกสองคนอิสฮะอิสมาอินอยู่ดดช่วงเวลาเดียวกันถึง4ท่านเลยเพราะฉะนั้นเราซูนมันจาเป็นว่าต้องออต้องมียุคละคนครับแต่หมายถึงว่าทุกกลุ่มเนี่ยต้องมีเราซูนเพราะเพราะเราบอกว่าลิกลิกอมินฮาคือทุกประชาชาตินั้นต้องมีคนที่อเราเนั้นให้มานําทางเขาครับเพียงแต่ว่าบางยุคอาจจะมีนบีหรือว่าเราซูนชุกน้อยถ้าเกิดเราดูในสุรยาซีนนะครับก็จะแปลว่ามี3มคนเลยนะครับ มีสามคนหรือมากกว่านั้นแห่งวัดลาหุตาละอาลำประเด็นก็คือแล้วแต่เรื่องเลยนะครับทั้งหมดอยู่ที่ความไม่ตาของล้อครับงั้นเรามาดูในดุอาบทีนี้ครับหลังจากที่พวกล้อแต่งตั้งท่านอบีมูโซาท่านอับดุลซาไม่อิดอด่อนเพียงแต่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยขอให้มีผู้ช่วยหลังจากนั้นท่านอบีก็บอกไงครับเมื่อเรามีผู้ช่วยไม่ใช่ว่าเราจะได้ขี้เกียจไกลหนูซับบิฮาแกะแกซีรอเราจะได้สรีต่อพวกได้มากขึ้น จะได้มีความเป็นไปได้ที่งานนี้มันจะประสบผลสําเร็จเพราะฉะนั้นมุสลิมเราไม่ใช่ถึงเวลาตะวักกุลแล้วก็โยนให้อล้ออย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราทําในส่วนกรดีที่สุดอย่าไปคิดว่าถ้าพวงล้อช่วยพวงล้อช่วยเราก็จะได้เราไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่อันนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยเฉพาะผมขอพูดแรงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะพ่อบ้านบางท่านที่ค่อนข้างจะมักง่ายในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกหลานหรือว่าเลี้ยงดูครอบครัว พะบางคนนี่คือถือว่าที่ผมเจอมาแล้วจี๊ดมากๆะครับมาสู่ขอแล้วก็บอกว่าเออแต่งานกันเสร็จนะภรรยาน่ยดูแลบ้านให้หมดเลยนะหาเงินเข้าบ้านด้วยนะฉันจะทำงานศาสนายอย่างเดียวจะลว่าอย่างเดียวจี๊ดมากเลยพครับครับใกล้ๆบ้านเขามีไปรับ ก็มสามีแต่สามีพอดาว่าอย่เดียวกลับบ้านมาพอช่วงาวเขามานอนไปเจอขอตังเมียใช่ไหมดซบินแล้วคืออาย้ำก่นนะย้ํำตอนนี้ผมไม่ได้โจมตีกลุ่มดาวานะ่าเนาะพอดาวา่ า, วาที่ดีผมก็เจออ่าดาว่าที่ดีผมก็เจอที่แบบดูแลลูกเมียดีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ออกไปอันนี้มีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดในภาพรวมเพียงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมถามแล้วผมยังไม่เคยได้คําตอบเพราะว่าสิ่งที่มักจะอ้างกันก็นกคือว่าเดี๋ยวเรอดเลี้ยงดู เราทํางานศาสนาอัลลอฮ์จะดูแลเรามันเป็นแบบอย่างของเราซูลและสฮับะคําถามที่ผมถามแล้วยังไม่เคยได้คําตอบขอตัวอย่างสฮาบะแค่ท่านเดียวใครก็ได้ที่ได้ว่าเราทิ้งคอบคัวผมขอแค่คนเดียวเลยถ้ามีนะครับก่อนที่จะอ้างว่าทำตามสุนนะของเราซุนทําตามแบบอย่างของอฮับะเนี่ยผมขอตัวอย่างสฮับะแค่ท่านเดียวที่ว่าทํางานศาสนาแล้วทิ้งอมานะครอบครัวไม่มีถ้าเราซุนไม่เคยทิ้งอมานะครอบครัว สา บ, บ้าไม่เคยจริงส่วนใหญ่ที่เขาพูดการจะพูดถึงท่านมุสสาบิลูเมตท่านรบีส่งไปคนเดียวไปอยู่ที่มาดีนะ mm. ก็ถามว่าท่านมุสสาบแต่งงานไหมล่ะครับไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัวเพราะนั้นใครบอกว่าฉันอยากทํางานดวาวะตลอดชีวิตนั้นก็ไม่ต้องแต่งงานจะได้ไม่ต้องมีย ม, มานะให้ตัวเองบาป ค, คือผมต้องอู้ให้ชัดเจนก่อนนะครับเรื่องของคู่สามีภรรยาเป็นระหว่างคนสองคนคือถ้าเขาโอเคกันแบบนั้นเขาเขาไม่มีสิทธิ์ไปแหวงแล้ว <ๆ S 1> คือเหมือนกับว่าเจ้าทุกข์เขายกยกสิทธิ์ให้ครับส่งส เ, เ, เ, เ, เ, เสริมไหมครับอโอเคตอแต่ว่าประเด็นประเด็นที่ผมใครอู้ให้ชัดเจนนะครับ คือถ้าเคลียร์ปุ๊บสมมติสมมติภรรยาบอกว่าพี่เต็มที่ไม่ต้องห่วงน้องเลยน้องจัดการเองสิทธิ์ของน้องต่อหน้าอัลลอฮ์น้องยกโทษให้อันนี้มันมีปัญหาถือว่าจบละถือว่าจบหมดไปแั้วแต่บางคนนี่โดนยัดเยียดเนี่ยครับอย่างไม่เพีงบางคนนี่โดนยัดเยียดบอกถ้าเธอไม่ทําเธอไม่ตออ้าวต่ออัลลอฮ์นะเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีนะเธอไม่เอาศาสนามาด่าทั้งทังที่ตัวเองทําอามานะไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดแล้วเป็นการใส่ร้ายเราสุลลัสรสลสลัมใส่ ร, าส ร, สรส้ายซาบะแล้วก สิ่งนี้ในศาสนาซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับครั บ, รบนั้นสรุปเคพียนะครับคือเรื่องของสิทธิเนี่ยเป็นบาปใหญ่เรื่องการซาเลมนี่เป็นบาปใหญ่แต่เจ้าทุกยกฮื้อถ้าเจ้าทุกยกฮื้อมันกิดจบเหมือนกับแม่ไหมครับอย่างถ้าเกิดแม่อย่างที่รู้เขารือหน้าที่ลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าลูกคนไหนไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นบาปใหญ่ลองมาจากการทําชิริก แต่ถ้าเกิดคนเป็นพ่อเป็นแม่บอกว่าลูกไม่เป็นไรลูกงานของลูกก็หนักนะพ่อแม่ไหวอยู่ดูแลกันได้ลูกไปทําของที่ลูกให้เต็มที่ถือว่าลูกบาปอยู่ไหมครับถือว่าไม่ละถือว่าไม่ละเพราะถือว่าเจ้าของทุกเนะี่ยเจ้าของสิทธิ์นี่ยยกให้ก็ถือว่ารอดไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะทํารูปแบบนี้ก็ไปเคลียร์ให้ชัดเจนถ้าเกิดเจ้าตัวเขาถูกบังคับถูกหลอกลวงไม่รอดแน่แต่ถ้ามันสบายใจทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดว่าเจอภรรยาที่ดีแสนดีขนาดนั้นขอบคุณล l l a h ให้มากๆ ที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายนะครับผมไม่พูดประเด็นนี้เยอะแล้วกันครับพูดแล้วมันเจ็บพูดแล้วมันเจ็บมันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องครับนั่นก็อิสลามเน้นในเรื่องของอามานะนะครับความรับผิดชอบถ้ามีปุ๊บมันมีอามานะที่เรียกว่าอามานะใกล้กับอามานะไกลอามานะใกล้ที่เป็นวายิบก็คือเรื่องของครอบครัวอามานะไกลก็คือเรื่องของคนนอกบ้านเริ่มจากคนในบ้านก่อน อย่างที่เกิดตัวอย่างที่ผมประทับใจมากๆชอบมากๆก็ยกตัวอภิอานานิดนึงทางปลายทางชุมชนปลายก็คือเขาเน้นชุมชนตัวเองให้เข้มแข็งก่อนเน้นครอบครัวตัวเองก่อนแล้วก็เน้นทุกอย่างให้เข้มข็งก่อนแล้วก็ถึงจะไปไงก็คือข้างหลังต้องมีคนดูแลต้องมีอะไรซึ่งผมว่าอย่างน้อยเรื่องของอามานะตรงนี้เขาก็ผ่านก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าเกิดว่าใครจะดําเนินรอยตาม ดูเขาเป็นตัวอย่างค่อนข้างจะดีครับะผมไม่ได้แบาว่าใครนะใ ช, ใช่ไหมครับ <genial> แล้วกลับมาดูครับในยักุรานครับถ้าเกิดเราดูครับอารามนชราลักษัตรตรกเนี่ยที่ว่าเราได้ทำให้หัวอกของเจ้าเนี่ยกระจ่างถ้าเราดูในยักุรานครับรกกันว่าฝยรหมินลลอฮลินตละุมว่าเรุนตาฟัดดานกาลิซันกาลบิลันฟัดูมินฮาวลิกฟะฟานหุมวสกิตุมวชาิุมฟิลอัม ฟาอิล่าอัลซัมตะฟัตตะวะกันละลอออิน ล, ละลอฮิบุลมนอาาจริงๆอยากพูดคุยเยอะมากเลยแต่ว่าเราแค่แปลแล้วก็เอาแค่ประเด็นของเราก่อนพวกะเรากล่าวว่าและเพราะเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ถึงทำให้เจ้านั้นอ่อนโยนกับผู้คนความเมตตาจากอัลลอฮ์ทำให้คนหน้าที่ทำหน้าที่ทางานศาสนาเนะี่ยมีความอ่อนโยนกับผู้คนหมายความว่าเงื่อนไขของคนทำงานศาสนา เพื่อนยไขที่สําคัญข้อแรกที่ต้องมีให้ได้ก็คือความอ่อนโยดอ่านยุออนโยนลินแต่ละหุมเพราะท่านนบีไม่เคยพูดหยาบไม่เคยด่าว่าไม่เคยตะคอกแต่บางครั้งเวลาคนทํานียรศาสนาก็พูดยากนะครับควบคุมอารมณ์มันก็แฝงจะยากวันแล้วคุณแต่วัดจนกะลิันกอนกพ่อเราพูดไว้นะครับว่าหากเจ้าเป็นคนที่มีจิตใจที่หยาบกระด้างแล้วก็มีคําพูดที่หยาบคาย ใจก็แข็งกระด้างคำพูดก็หยาบคายต่อให้เจ้าเป็นคนถูกลันฟัตดูมินเทอรลิคเพราะเราบอกว่าไงครับผู้คนทั้งหลายจะหนีตะเพิดไปจากเจ้าหมดถูกตะเพิดไปเห็นด้วยไหมชัดเจนคนที่พูดความจริงถ้าไม่เรียนรู้วิธีการนำเสนอความจริงเขาก็เป็นได้เพียงแค่คนที่สร้างฟิตนาเท่านั้นเหมือนกับของท่านมัวใช่ไหมครับที่เราเล่ากันครั้งที่แล้ว นำละหมาดนานนานมากจนมาหมูม่เลิกละหมาดมามูม่เลิกละหมาดเลยนะมาหมูม่เลิกละหมาดแล้วท่านวาสก็เข้าใจว่าเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าทํำไมเลิกละหมาดละหมาดอยดู่แล้เลิกละหมาดทําไมมันเลิกได้ยังไงชายคนนั้นก็ไปหาท่านอาบับดุลเลาะห์สุลต่านมูฮัตก็ไปหาท่านอับดุลเลาะห์สุลต่านอับดุลเลาะห์โกรธแล้วหันมาหาท่านวาสหรอมุฮาตท่านจะสร้างฟิตนะให้กับผู้คนกันนั้นหรือจะทําให้คนออกหางจากการเป็นมุสลิมกันนั้นหรือ กับกายเป็นท่านมูลาสกายเป็นฝ่ายผิดทั้งๆ ท, ที่ไม่น่าจะผิดคือถ้าเราคิดท่านไม่น่าจะผิดถ้าทํานำละหมาดแล้วไอ้นี่มันทิ้งละหมาดได้ยงไงมันต้องเป็นมูนาฟิกเราก็คิดแบบนั้นแต่ท่านนับดุลเลมัดมับบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดนะถ้านําละหมาดแล้วมันนานเกินพอดีแล้วทําให้คนทิ้งการละหมาดอิหมามต้องรับผิดชอบจากข้อที่สุดนี้นะครับต่อให้อิหมามทําดีนะแต่ถ้าทําเกินความพอดีอย่างละหมาดแล้วนานเกินไป คือเร็วไปก็ไม่ถูกนะเด็วไปก็ไม่ถูกมันต้องคําวณไปดีครับไม่ได้หนาส่วนแบบขนาดคนับบเขาหลับไม่ได้ใช่ครับก็ต้องดูดูความพร้อมอย่างถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรารู้ว่าทุกคนตอนเนี้ยจะมาละหมาจามะกับเรานี่คือพร้อมจัดไปเลยครึ่งยุสอ่าโอเคถ้าเขาพร้อมเราก็จัดไปจนเออละมาอนช่วงระมานอนนะครับแต่ทีละอ่าครับแต่ถ้าเกิดเรารู้รู้สึกว่าส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุมีเด็กมีอะไรเออเราก็อ่านแบบสั้นๆไม่ใช่อ่านเร็วนะไม่ใช่อ่านเร็ว คือการอ่านเร็วไงก็ไม่ดีนะครับอ่านแบบพอดีพอดีถ้าเร็วอาจจะสไตล์เช็คสุดสนะครับแต่ก็คืออ่านแบบสักห้าอายะสิบอายะก็คือขอให้ได้ประโยชน์ดได้สาระแต่ก็คืออิยาบุตรใช่ <c oughs> ละมาดใ ก, กจิตก็ไม่ใช่นะ <c oughs> แต่ก็คือที่พออกก่อเลาะแกวไว้นี่เป็นคําพูดของพรอในกุรานนะครับผมหากเจ้าเป็นคนที่มีคําพูดที่หยาบคายมีหัวใจที่หยาบกระด้าง ผู้คนจะหายไปจากเจ้าหมดพอเราสั่งว่าไงครับฟ้าฝัอันหุมวัชสักฟิตุมนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องทําให้ได้ด้วยกับลูกๆคนทํางานศาสนาก็ต้องทําให้ได้เพื่อนๆก็ต้องทําให้ได้ประการแรกต้องให้อภัยเขาให้ได้ก่อนคือเวลาเราเจอใครทําผิดเราจะโกรธพอเราเริ่มกับอะไรครับฟ้าฝัอันหุมอภัยให้เขาให้ได้จริงๆมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องเป็นผู้ให้อภัยแต่ตอนนี้เราไปโกรธแทนอัลลอฮ์เยอะแล้วไงพราเราบอกไงครับฟ้าฝัอันหุมให้อภัยเขาก่อน วัสตักฟิบละหุม um. เมื่อให้อภัยเขาแล้วจงขอให้อัลลอฮฺยกโทษให้เขานี่คือสิ่งที่ยากมากนี่คือสิ่งที่ยากมากเวลาเราเจอใครทําผิดเวลาเราเจอใครที่ดา่าเราเวลาเราเจอใครที่ทําสิ่งที่ไม่ดีที่เราสึกว่าอื้อยากจะดา่าอยากจะว่าพวออัลลอฮ์กับบอกว่าไงครับเริ่มด้วยกับให้อภัยเขาให้ได้ก่อนถ้าอภัยเขาได้เราจะพูดคุยกับเขาด้วยดีได้จะมีมารยาทที่ดีได้แล้วขอต่ออัลลอฮฺยกโทษกับเขาอัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้กับเราด้วย ว่าชาววิถุมฟิลอัมแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องกิจการงานต่างๆเพราะฉะนั้นจากคู่นั้นจากคดีที่เราพูดกันถึงตอนนี้อิสลามเป็นศาสนาที่นั้นความง่ายได้แล้วประณามประณามผมเช็คคว่าที่บอกว่าฟอร์บิมาเราะมติมมิลลล้อยลินตาละหุมไหมครับผมครับผมอ่ขอสักครู่นะครับผมว อาลีมรอนครับผมสุรอาลีมรอนอายาที่159่งรบกมารติินเตัก ا و ุชวิิตฟั้บุมุวะกินก็คือเมื่อตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วก็จงมอบหมายตอนเหก่อนที่จะมอบหมายทำให้ดีที่สุดก่อนอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดของมุสลิมนะครับบางคนก็คือมอบหมายการเป็น ฉันไม่ทําอะไรเดี๋ยวอะไรดีๆมันก็เกิดขึ้นเองใช่ครับครับผมก็เริ่มจากมูเฮานะครับผมเริ่มจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือต้องมาดีไปด้าลูกนักมาดีไปบางทีแบบเจอลูกคนอื่นนี่อุ้มได้หอมได้กอดได้พอปลาลูกตกกัวเก่าอ่าได้เป็นชุดปลานี่ได้อย่างเดียวหรือบางคนนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยถ้าอยากรู้ว่าเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้ดูว่าเขาเฉดจำนวนอะไร ถ้าพูดหยาบอ๋อพูดกับลูกตัวเองถ้าพูดเพราะพูดกับสัตว์เลี้ยงไม่ใช่นะความจริงมันต้องไม่ใช่มันต้องไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องไม่ใช่อย่างนั้นคือจะไปลูกจ๋าโอ๊ยลูกโอ๊ยโอ๊ยถ่ายแล้วเลยโอ๊ยดีจังเอากินอาหารก่อนเลยกินข้าวปอยลูกเฮ้ยเนี่ยทํากันบ้านี่อย่างนี้อย่างคืณวันนี้เล่นตะเกียบอีกไม่ใช่นะไม่ใช่ คนเป็นพ่อเป็นแม่อาจารย์แต่ครับผมก็เป็นอาจารย์บางเตื้ยครับซึ่งเขาต้องขอโดยอาจารย์ว่าเฮ้เนี่ยอายาเนี่ยเขาต้องเอามาครอบตัวเกขาคืออย่าเป็นคนที่พูดหยาบคายอย่าเป็นคนที่หยาบกระด้างเริ่มจากคนในบ้านก่อนคนในครอบครัว ก, ก่อนแล้วก็ไปคนข้างนอกครับการที่เอาลายความเมตตาอย่างที่ เราพูดคุยกันพอคิดว่าหน้าจะพักกันแค่นี้จริงๆมีหลายเรื่องอยากพูดคุยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปต่อไปะยะที่สองนะครับวอวัววดอรนาอังกอ ว, วิสลอรแล้วพวกเ ร, เราก็ได้ก่วว่าแล้วเรานั้นได้วางความช่วร้ายออกไปจากตัวของคุณก็คืออย่างที่พวกเราทราบครับพวกเรา ก, กล่าวในแกลว่านดยักฟิลล้ก็ลอฮูมาตะกัดเดมารินดัมบีวัมาตะอักคอตในสุรัลฟัชพวกเรากได้กล่าวว่าเพื่อที่พวกนั้นจะได้ให้อภัยต่อท่านมบีมัสเซอร์ซัมในสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็ในสิ่งที่ยังงมมาไ่ถึ นี่คือความหมายที่ว่าพวกเราได้วางบาปไปจากท่านนบมีมุสลิมอิสลามเื่อแยะ น, นี้ถ้าพูดถึงท่านนบีก็หมายถึงว่าพวกเราประกาศให้รู้ว่าพวกเราไม่เอาผิดอะไรท่านนบีซักอย่างเพราะท่านนบีมุสลิมอิสลามช่วงวัยรุ่นของท่านก็อย่างที่พวกเรารู้ก็บางครั้งก็มีความคิดแวบๆ บ, บ้างใช่ไหมครับที่แบบอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาเข้าไปมหรสศศพเขาไปทําอะไรกันเขาไปดูคนเต้นไปดูอะไรที่ว่าท่านนบีพยายามจะไปดูสองรอบแต่พวกเราไม่ให้ท่านได้ดูซึ่งรัชการบางท่านก็บอกว่าเรื่องพวกเนี่ย มันติดใจนบีอยู่ในอายะที่สามครับอัลละีอังกอเดลฮะรอความชั่วร้ายสิ่งเลวร้ายที่มันมันทําร้ายหรือว่ามันเป็นสิ่งที่หนักอึ้งบนหลังของเจ้าเพราะว่าท่านนบีอัลกุสเราะซ์ละม์รรรมะครับท่านไม่เคยทําบาปอย่างที่พวกเราทราบท่านมีแต่ความคิดแบบแวบๆว่าจะทําสิ่งที่ไม่ดีซึ่งแค่แวบเหล่านั้นเนี่ยสําหรับท่านท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นความ ไม่ดีเหลือเกินคือถ้าเกิดว่าเราจินตนาการคิดถึงตัวเราในอดีตหรือปัจจุบันสำหรับคนที่ยังดีอยู่อะไรทำเลแล้วนะครับผมแต่ที่ใครที่ว่าเริ่มก้าวโลกแล้วอนะอย่างผมนะครับเราจินตนาการตอนเด็กๆอ่ะตอนในเด็กเวลาที่เราทําอะไรไม่ดีสักอย่างนี่กลัวเหลือเกินพ่อแม่จะจับได้หรือเปล่าพ่อจะรู้ไหมเนีย่ยฉันแอบไปทำอย่างเงี้ยมันฉันแอบไปเล่นเกมจะทําอะไรรู้สึกอะไรครับมันรู้สึกว่ามัน มันค้างคาใจทําอะไรก็ไม่สนุกถูกไหมครับกินข้าวก็ไม่อร่อยน ะ, ะมันจะระแวงยิ่งถ้าเกิดว่าโจดอยู่ตรงหน้าเฮ้ยมันรู้เรื่องหรือปเปล่าเฮ้ยมันแอบหรือปเปล่าไอ้หรือว่ารู้แนละ้วแต่ไม่ได้พูดเฮ้ยเราจะทํายังไงแบบไม่มีสุขเลยครับทุกเลยกับท่านอบเบลสซ ร, ร, ร์ามผู้เป็นสุดยอดของมนุษยชาติท่านแค่มีเรื่องที่ท่านพลาดไม่กี่เรื่องนี่สำหรับท่านนี่ถือว่ามันใหญ่มากๆเลยสําหรับท่านซึ่งพวกลอสนาลาได้กล่าวไว้ว่าพวกลอ ไม่เอาผิดแล้วยกโทษให้แล้วไม่ต้องไปรู้สึกแย่ตรงนั้นมันลบล้างไปแล้วสําหรับเราอายะทั้งสองอายะนี้มีความหมายว่าบาปใดก็ตามที่เราขอเตาบ้าแล้วมันจบไปแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอะไรถ้าเราจะบ้าอีกแท้จริงนะไม่กลับไปทํามันอีกนะไม่ว่าเราจะผ่านความเสเพมาเกินจินตนาการแค่ไหนก็ตาม อย่างที่เราพูดกันใช่ไหมครับอัลกอฟุตอัลกออฟาร์ใช่ไหมครับจะเยอะแค่ไหนก็ตามจะมากแค่ไหนก็ตามถ้าขออภัยโทษตอบล้อลถ้าอัลลอฮ์รับจบถ้าเตบาบาถ้าเตบาบาเนี่ยอัลลอฮ์รับแน่นอนขออภัยโทษนี้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่ถ้าเตบาบาครบเงื่อนไขพวกอัลลอฮ์รับแน่นอนก็คือความชั่วทั้งหมดก็ลบล้างไปอัาลอฮ์ฟ้านะและแกฎิกกบและเราได้ยกย่องเจ้าให้สูงส่งขึ้น ในยะกรานี้ครับเป็นความเมตตาของพู้อัลลอฮ์จริงๆยะกรานี้ครอบคุมมุสลิมทุกคนนั่นแหละเมื่อเราเป็นมุสลิมเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์พระราชธรรให้เรานั้นสูงส่งขึ้นในสถานะของผู้คนต่อให้เรายากจนต่อให้เรายากไร้คนก็ใช้เกียรติเราแต่สำหรับท่านอบับดุลโมตัลลัลของอะบราฮิมครับท่านมุจาฮิต<ๆ>บอกว่า<ๆ>พู้อัลละฮ์จะไม่ถูกเ อ, อ่ยชื่อนอกจากชื่อของท่านอาบีตั้องถูกเอ่ยด้วยนี่คือความเมตตาสุดๆของพู้อัลลอฮ์ถูกไหมครับ ชื่อของพวอัลลอฮ์ต้องมีชื่อของท่นานนบีทุกครั้งที่เราบอกว่าละอีละฮะอิลลัลลอฮเราก็ต้องมีคําว่ามุฮ uh ul ัมมัดุลรัสูลละทุกครั้งที่ละหมาดมีการระลึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมมีการระลึกถึงท่นานนบีมุสลิมด้วยเป็นการยกย่องสถานะของท่นานนบีให้สูงส่งเกินมนุษย์ทุกคนที่มีในโลกท่นานนบีอิบรอฮิมพวกอัลลอฮ์ให้ฉายาว่าเป็นสหายของอัลลอฮ์ขานิรุนละ ท่านอบีุเชูเอฟได้รับฉายาว่าคขตีบุลอัมบิยะเป็นนบีที่ว่าวาทศิลป์คำพูดในยอดเยี่ยมที่สุดท่านอับดุลูซาได้รับฉายาว่ากะรีมุลลอฮ์ผู้ที่ได้สนทนากับพู้อัลลอฮ์แต่ท่านอบีมูฮัมหมัดสรางหล่อของอะไรวิญอัลสลามท่านอาจจะไม่มีฉายาเหล่านั้นท่านอาจจะไม่มีปาฏิหาริ์เหมือนท่านอบีอีสามีท่านอบีอีสานี่คือชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ทํารูปนกเป่าให้สามารถบินได้สารภาพที่ท่านจะทําได้ ท่านอบุียัสซรรมทำได้ไหมครับทำไม่ได้ท่านอบีมูซามีไม้เท้าตีแล้วทะเลแยกเลยนะโยนไปแล้วกลายเป็นงูนะท่านอบดุีมีไหมไม่มีท่านอบุียัสซรรมไม่มีแต่สิ่งที่พวงละให้กับท่านเป็นสิ่งเรียบง่ายที่ยกย่องสถานะท่านทีเดียวขึ้นไปสูงสุดเลยไม่ต้องมีไม้เท้าไม่ต้องมีปาฏิหารไม่ต้องมีอะไรแต่มุสลิมทุกคนที่ละมาด ต้องซาลาบาถึงท่านนบีมุสลิมมาเลสแลมมุสลิมทุกคนที่ไปทำฮัจก็ต้องพูดถึงท่านนบีมุสลิมมาเลสแลมก็ต้องขออวยให้กับท่านนบีมุสลมเลสลมเวลาทาอิบาระนะอะไก็ตามต้องมีการพูดถึงท่านนบีแล้วทุกครั้งที่มีการกล่าวชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดมุสลิมเราก็จะพูดว่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสลรมเป็นการขอพรให้กับท่านนบีมุสลิมลสลมมีมนุษย์คนไหนได้รับสถานะสูงส่งขนาดนี้หมครับวรฟานอะไกดิกรก เราได้ทําให้เจ้านั้นสูงส่งด้วยกับการให้มีคนนั้นลําลึกถึงเจ้าไม่ใช่แค่ทุกวันแต่พูดได้เลยว่าทุกวินาทีเพราะในโลกใบนี้มันต้องมีทุกทุกเวลาไม่มีวิธีไหนที่ไม่มีใครละหมาดดูแค่ทีมัดแ ก, กไม่มีช่วงเวลาไหนที่ไม่มีคนต่วับคนต่วับยี่สี่ชั่วโมงทุกนาทีต้องมีคนต่วับยกเว้นตอนละหมาดก็ดูที่มามเริ่มละหมาดนั่นแหละที่ว่าหยุดตะวับ แปลว่าทุกครั้งที่มีการทำอิบาระครับท่านบิอุสสลามถูกลำลึกชื่อของท่านเสมอซัลลัลอฮุอัลัยฮีวะสัลลัมทั้งดุลย า, ลลลาแล้วก็ทั้งอาคิรอครับอย่างที่พวกเราทราบครับผมและแน่นอนครับจะไม่มีทางที่ใครก็ตามจะเป็นมุสลิมได้นอกจากต้องพูดชื่อท่านอบีโอ้เกียรติสูงสุดเลยนะพอเราตั้งเงื่อนไขไว้เลยอะ ตั้งเงื่อนไขไว้เลยว่าการที่ใครก็ตามซักคนจะเป็นมุสลิมได้นอกจากที่ยอมรับในผู้อัลลอ์แล้วต้องยอมรับในตัวท่านอับดุลลาห์ต้องกล่าวชื่อของท่านต้องประกาศชื่อของท่านออกมาด้วยเป็นการประกาศเป็นการให้เกียรติคุณสูงสุดเวลาคุตตาบ้ามีไหมมีสุภานัลลอฮ์ครับผม ฝ่ายอินนามะลาอสุสตีอสลเราเพิ่เราได้กล่าวไว้จริงๆมีหะดีษหลายบทผมขอข้ามไปนะครับผมฝ่ายอินนามะลาอสุสตีอสลเรามาดูประเด็นที่ว่าสุระอนเนี่ยเป็นสุระอน ท, ที่ทําให้มุสลิมเราเนี่ยปลอดปรงใจมากที่สุดแล้วโลงบกลงใจมากที่สุดแล้วถึงแม้เรายังเครียดอยู่ถึงแม้เรายังมีภวังถึงแม้ว่าเรายังมีความยากลําบากอยู่สุร้อนนี้ทําให้เราสบายใจเพราะเพราะเราได้ทรงย้ำเอาไว้ว่า แน่นอนในหนึ่งความยากลำบากนั้นจะมีความง่ายดายอยู่มากมายจะาแปลให้ครบถ้วนนะครับจะแปลแบบนี้ในหนึ่งความยากลำบากเพราะมีการใช้คำว่า a fa'inna al, fa al usri yusra yusra ไม่มีการใช้อลิฟลามอัลพวกเราไม่ได้ใช้คำว่า fa'inna al usri al yusra ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นจะแปลว่าในหนึ่งความยากลำบากจะมีหนึ่งความง่ายดาย แต่พวกเราเราใช้คำที่กว้างมากๆเลยในหนึ่งความยากลําบากจะมีความง่ายดายอยู่มากมายในนั้นคือเราอาจจะเจอโจทย์ที่หินมากๆหนึ่งอย่างท่านบีมูซาต้องไปเผยแผ่ให้กับฟาโร่โจทย์หินเลยหนึ่งโจดแต่พวกเได้ความง่ายดายเป็นร้อยครับสัญญาณสิบอย่างมีบัญญัติ10ประการมีให้ความช่วยเหลือมีอะไรสารพัดที่พวกเราเราใช้กับท่านอบีมูซาช่วยตั้งแต่ท่านอบีุลเบมูซายังแบเบาโดนแม่ ลอยเข้าไปในน้ำตายไม่ไม่ตายให้ใครเลี้ยงให้คนที่อยากฆ่าตัวเองนี่นแหละเอาไปเลี้ยงฝ่ายอินนะมาอัลลอฮุสซียุสซรออินนะมาอัลลอฮุสซีซึ่งในอายา this พวกเราย้ำถึง2ครั้งซึ่งอายาที่2องอินนะมาอัลลอฮุแน่นอนที่สุดใน1ความยากลำบากนั้นกลับไปหาอายาแรกแปลว่าพวกเราพูดถึงความยากลำบากเดียวอันเดียวอันเดิมนั่นแหละ ในหนึ่งความยากลำบากเดิมนั่นแหละยุสโรมีความยากใดอีกมากมายอายาแรกพวกเราก็บอกว่ามากมายอยู่แล้วนะอายาที่สองพวกเราบอกว่ามีมากมายยิ่งกว่านั้นอีกเพราะนั้นแค่สองอายานี้สหบับมุสลิมแล้วอ่านใจเบิกบานั้ยครับรู้สึกใจมันโผมีกำลังใจถูกไหมครับ ในความยากลาบากเดียวเพราะแล้มีความง่ายดายอยู่มากมายแล้วในความยากลําบากนั้นจะมีความง่ายดายอีกมากมายจย่ท อ, อ, อใช่ครับอย่าทอเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ <Allah S 1> มุสลิม <Allah Akbar. S 1> ครับเดี๋ยวรับอระทานกันนะครับผมอัลลอฮฺว่าปัดอัลลอฮฺว่าปัด ัระเจ้าเราอิละ ออมมบราา่คอดีีามกซตรับอันนี้คือเหตุที่ผมบอกว่าสุรา this ผมอยากอยู่นานๆหน่อยอยากอยู่นานๆหน่อยก็คือเป็นสุราที่อ่านแล้วมันมันสบายใจจริงๆมันสบายใจแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนที่อ่านสุรา this อยากให้พวกเราสบายใจด้วยว่าในทุกปัญหาของเรา บททดสอบในดุญญนยามันแทบจะไม่มีอะไรเลยที่มันเบาออนะครับทุกอย่างมันหนักหมดเลยแต่ในทุกอย่างที่มันหนักนั้นก็ขอให้เรามั่นใจเชื่อมั่นแนวแ่วเพาะว่าพอเราได้เตรีย ม, ยมความแง่ายดอยู่ในนั้นแล้วขอแค่เรานั้นมีความยำเกรงขอแค่เรานั้นมีความตักวาซึ่งความตักวันเป็นกุญแจสําคัญที่สุดของความรอดพ้นครับอยายะที่7ครับพอเราได้กล่าวว่าไฟลาฟลอร์เตอฟังซอ พวกเราบอกส่งกล่าวไว้ผู้ทรงสูงส่งครับอาย่านี้มีได้หลายในยะมีหลายความหมายด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าพูดสรุป <c oughs> พูดสรุปในความหมายสั้นๆเลยก็คือว่าดังนั้นเมื่อพวกเจ้าเสร็จสิ้นธุระจากทางโลกแล้วก็จงทุมท่มเททำอิบะาดาเพื่อ a ลล a h เถิด <c oughs> มุสลิมเราต้องมีความสำคัญกับอะไรก่อนครับตามทฤษฎีแล้วก็คือโลกอาเครอมันต้องเป็นอันดับหนึ่งแต่เราเอาความจริงมาพูดสิ เอาความจริงมาพูดในความเป็นจริง24ชั่วโมงเราทุ่มให้กับอะไรครับดวงยา <laughs> มันคือความจริงครับมันคือความจริงเราต้องยอมรับจริงๆคือเราต้องยอมรับ ว, ว่าปัจจุบันเนี่ยเราทุ่มเวลาเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตให้กับโลกดวงยาที่มันจะดับสูญไปในขณะที่เวลาที่เราให้กับอาร์เคโรนั้น <c oughs> น้อยมากน้อยมาก แต่เราก็หวังความเมตตาของเรบพงค์ผู้ทรงสูง่วนนั้นพระองค์นั้นจะเมตตาแล้วก็ให้อภัยเราแล้วพวกเราก็บอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจจากดุลยาก็จงเข้ามาหาเราหมายความว่าอีกหนึ่งความหมายอีกหนึ่งในยะก็คือว่าอย่าแบกดุลยาเอาไปตอนเข้าไปหาพวงละล้อด้วยคือถ้าอยากให้พวงละล้อช่วยเนี่ยเอาไปได้แต่อย่าแบกเอาไปในที่นี้หมายถึงอย่างเวลาละหมาดนะครับ บางคนอยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยวืจ๊ยิ้มปวดทีฉันอยากจะเข้าห้องน้ําอยากถ่ายหนักถ่ายเบาละหมาดรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องพวกเราก็บอกว่าให้ไปจัดการธุรนุญาให้เสร็จก่อนหรืออย่างฮาริสที่พูดตอนแรกครับเวลาหิวเขาดันอ า, อาหารมาเสิร์ฟคือเราไม่ได้ทําเป็นประจําเราไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงละหมาดย้ยํานะต้องไม่ใช่ตั้งใจเรื่ยงละหมาดนะแต่คือจังหวะมันพอดีเราไปนั่งร้านปุ๊บเราคิดว่ายังไม่อาดานสมมุติอย่างเงี้ยแล้วเราสั่งอาหารแล้วเขาอาหารมาตั้งแล้วอาจารพอดี เราต้องเลือกอะไรก่อนครับอาหารก่อนเพราะถ้าไปละหมาด ส, สมาธิก็ไม่อยู่แล้วท่านนบีก็ส่งเสริมด้วยว่าเลือกอาหารก่อนถ้าคุณไม่ได้มีเจตนาทำเพื่อจะละงละหมาดนะให้เลือกให้เลือกอาหารก่อนเพราะนั้นอย่าแบกดุนยาเข้าไปด้วยบางคนละหมาดตักบี๊เอ๋อหัวบัสธุรกิจนี้ฉันจะทํายังไงดีเนี่ยไอ้เมื่อกี้มันมาซื้อของเฮ้ยมันหลอกฉันนี่ว่ะ พอมาล้วกันที่สองแล้วฉันจเจ้าคืนมันยังไงดีเนี่ยแันแค้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยตอนเนี้ยชันแค้นเหลือเกินแล้วปาทที่สามสาบแช่งมาเลยแล้วกันอัลลอห์จัดการมาเลยอให้มันสาสมไว้มันอันนี้คือแบกดุนยาเข้าไปคือถ้ามีเรื่องเครียดแล้วอยากปรึกษาอัลลอ์ไม่มีปัญหายาอัลลอฮ์ตอนเนี่ยฉันมีปัญหาเหลือเกินนธุรกิจชันเดือดร้อนอัลลอ์เมตตาช่วยฉันด้วย อ, อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเอาดุลยาไปแล้วหมกมุ่นคนเดียวพาะอัลลอ์ไม่เกี่ โอ้ฉันจะทําังไงดีฉันจะค้าขายชั้นของนี้น่าจะเป็นอย่างนี้หรือฉัตั้งตั้งอย่างนี้จะอ้าวอิหม่มามสลาแล้วยังไม่เสร็จเลยเออละมาสุนัขไหนแล้วกันเผื่อจะคิดได้ต่อคือตอนละหมาดไอเดียมันดีไอเดียมันพุ่งอันนี้แบกอุญยาแบบผิดผิดถ้าจะเข้าเฝ้าพาุ่งอร้อยเนี่ยเอาอุดดญยาไปเพื่อไปขอความช่วยเหลือพระองค์ได้แต่ยาแบกไปแล้วลืมพระองค์อันนั้นไม่ใช่นี่คือหนึ่งในแยะว่าไฟดาฝรั่งแต่ฝันซอฟเมื่อเสร็จแล้วนะก็ ลำเลือกเถอะล้อ Allah ซะก็ทําให้เต็มที่ซะ อ, อีกอีกความหมายหนึงนักวิชาการบางท่านอย่างเช่นอิบヌมัสูดหรืออิยลลาลออันหูท่านบอกไว้ว่าเวลาทําฟัดดูเสร็จให้ไปทําสุนนะต่อด้วยอีกหนึ่งความหมายเพราะถ้าแปลตรงตัวครับอิซาฟาลอกตาเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นแล้วฟังซอฟก็จงเร่งรีบหรือว่าก็จงสงบแปลได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นอายะกรานี้ความหมายกว้างแปลได้หลายใน ย, ยะ ซึ่งความหมายไหนใดก็ตามที่ถูกต้องที่นักชาการพูดมันก็คือความหมายที่ถูกต้องวอลลอหุจาละอาลมอายะสุดท้ายครับเป็นอายะที่ปิดความสบายอุกสบายใจของเราด้วยความที่สบายใจที่สุดวะอิลารับบิกาฟารกอบแล้วจงป่าถนาจงโลภมากจงมีความป่าถนาอย่างสูงสุดต่อพระผู้อภิบาลของเจ้ากับอัลลอ์โลภมากให้เต็มที่เลยสุรานิฟังแล้วแฮปปี้ไครับ แฮ ppy นะะเดี๋ยววันนี้ไปละหมาดซุนนะอัะสลร้อนี้ด้วยก็ได้เ น, ะะนะาะอัลลัมอัลสลาร้อนะเราได้ความหมายแล้วนี่อ่ได้ความหมายระดับหนึ่งพอจะรู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอดยพระเจ้าละนะครับให้กุรอานนั้นเป็นดอกไม้ในหัวใจของเราคือเป็นสิ่งที่ว่าเราอ่านปุ๊บให้ความสงบให้ความอบอุ่นให้ทางออกให้สิ่งที่ดีงามกับเรา แล้วก็ขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้รับฟังทางนาแล้ว <ett> ก <COVID> ็พยายามทําตามทางนําน the so so so so so so ั้นให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เราทําผิดพลาดไปขอละให้อภัยอย่าถือโทษกดเคืองแล้วก็สิ่งไหนที่เรายังไม่ดีก็ขอให้เราทําไม่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สิ่งไหนที่เราพยายามทําแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีก็ขอพระองค์ให้มันอยู่ในตาช่งที่ดีขอละขอให้เราเป็นผู้ที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อพระองค์แล้วก็ขอให้เรานั้นอย่าได้มีความเกียดแค้น กนกับบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายบ่าวที่ดีของขอลอได้เถิดอาเมนับอกูลเกาลีฮวัสักุลลอฮีวาะคุ้มบริษัทมุสลิมีนามินดจมีวัสอินูวลกฟูรรหีมคับซุบฮนะล่ามาวยะฮมดิกะอัชาลุลลาอิละอันตกะไรซะมัยกุตล้อบาวกาตุลวงเกินท่านด